พรสังฆคุณ9ก้าบทหนึ่งสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆคุณแปลว่าคุณของพระสงฆ์ซึ่งคำว่าคุณในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณความดีและคาว่าพระสงฆ์ในที่นี้ก็หมายถึงหมู่ของพระอริยบุคคล เพราะคำว่าสังโคตามสั์แปลว่าหมูฝูงพวกคณะเช่นคำว่าสกุณนสังโคแปลว่าฝูงนกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก่อนอื่นขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าคำว่าพระสงฆ์ในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงพระหรือสาวกที่เป็นนักบวชเสมอไปคารวาที่เป็นอริยบุคคล ก็เรียกว่าประสงค์ในที่นี้ได้และการที่เราเติมคำว่าพระเข้าไว้ข้างหน้าคำว่าสงฆ์นั้นก็เพื่อต้องการจะยกย่องหรือเทอิดทูนไว้สูงเช่นเราเรียกในหลวงว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าอยู่หัวบุคคลที่เป็นตัวเอกในเรื่องหนังหรือละครเราก็เรียกว่าพระเอกอย่างนี้เป็นตน้นสังฆคุณทั้งหมดมีอยู่ก้าบท สังฆคุณข้อแรกก็คือคําว่าสุปฏิปัโนโนภควโตสาวกสังคโฆซึ่งแปลว่าหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วและคําว่าสุปฏิปันโนซึ่งแปลว่าปฏิบัติดีนั้นพระพุทธโคสาจารย์ผู้เขียนคำภี์วิสุทธิมักได้อธิบายไว้หลายนัยยะคือสุปฏิปันโนที่ว่าปฏิบัติดีนั้น หมายความว่าปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติคือปฏิบัติอยู่ในทางที่นำไปสู่นิพพานและไม่ปฏิบัติถอยหลังไม่ปฏิบัติเป็นฆาศึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกนัยะหนึ่งท่านอธิบายว่าที่ว่าปฏิบัติดีหมายถึงปฏิบัติไปตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนไว้ไม่ปฏิบัติให้ผิดไปจากธรรมะวินัย อีกนยยะหนึ่งท่านอธิบายว่าที่ว่าปฏิบัติดีนั้นหมายความว่าบุคคลเราได้เป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและในผลบุคคลเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีเพราะเป็นผู้เพียรพร้อมไปด้วยมรรคมีองคศาและเป็นผู้ที่ได้บรรลุถึงธรรมที่ควรบรรลุด้วยการปฏิบัติชอบตามมรรคมีองค์8นั้นจากข้อความที่ท่านอธิบายมานี้ ประเด็นสาคัญที่ควรจะนึกถึงก่อนก็คือคำว่าปฏิบัติดีหมายถึงปฏิบัติตามมรรคมีองแปดหรือมีมรรคแปดสมบูรณ์อยู่ในตัวจนกระทั่งได้รับผลคือได้บรรลุถึงนิพพานซึ่งทาให้ลากิเลสได้เด็ดขาดเป็นขั้นๆไปฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจถึงคำว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องมรรคมีองแปดว่ามีอะไรบ้างจึงจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งว่า หมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างและข้อสาคัญอีกอันหนึ่งที่จะต้องจำไว้ให้ดีก็คือคำว่าดีในที่นี้หมายถึงดีตลอดไปไม่เหมือนกับคนในโลกที่ยังเป็นปุถุชนความดีของเขาไม่ค่อยจะแน่นอนในตอนนี้อาจจะเป็นคนดีแต่ต่อไปไม่แน่ ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้จริงๆว่าท่านเคยมีความประพฤติดีอย่างไรก็จะต้องดีอย่างนั้นตลอดไปและยิ่งกว่านั้นความดีของท่านก็มีแต่จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระอริยบุคคลก็คือไม่ปฏิบัติถอยหลังดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันหนึ่ง สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีซึ่งหมายถึงไม่ปฏิบัติเป็นฆ่าสุดนั้นหมายความว่าไม่ปฏิบัติเป็นปฏิปักษ์ต่อใครไม่แตกความสามัคคีกับใครและไม่ปฏิบัติเป็นฆ่าสุดต่อศาสนาเหมือนกับพระบางองค์ปฏิบัติตัวเป็นโจรหรือเป็นผู้ทําลายศาสนาเพราะไม่ตั้งตนอยู่ในความเป็นพระทําให้ประชาชนหมดความเลื่อมใสและทําให้เขาเหล่านั้นเห็นว่า ศาสนาไม่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นอันหนึ่งที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีหมายถึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นหมายความว่าปฏิบัติไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นไปโดยลำดับซึ่งการปฏิบัติแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ก้าวขึ้นไปสู่โลกุตรรธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าเปรียบเหมือนกับการลอยอยู่ในกระแสน้ำก็หมายความว่าท่านได้ตกอยู่ในกระแสที่ไหลไปทางเดียวคือไหลไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานเท่านั้นหรืออีกนัยยะหนึ่งที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นแก่ธรรมจริงๆไม่ได้เห็นแก่ลาบสการะและพยายามที่จะน้อมตัวเข้าไปสู่ธรรมให้เป็นไปตามธรรม และการแปลแความหมายของธรรมคือธรรมะที่จะนํามาใช้ในการปฏิบัติก็แปลได้ถูกต้องไม่ได้แปลเข้าข้างกิเลสของตัวหรือไม่ได้แดัดแปลงธรรมะให้เป็นไปตามใจชอบหรือให้เป็นไปตามกิเลสของตอนซึ่งลักษณะนี้คนที่ไม่ได้เห็นแก่ธรรมคือธรรมะจริงๆและไม่เข้าใจความหมายของธรรมะจริงๆมักจะแปลความหมายของธรรมะเข้าข้างกิเลสของตัวเองอยู่เสมอ การศึกษาให้เข้าใจชีวิตของพระอริยบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นมากแม้สำหรับคนทั่วไปเพราะจากการศึกษาเรื่องนี้จะทำให้เราได้หลักที่ดีในการดาเนินชีวิตหลายอย่างซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำตามท่านทุกอย่างเพียงแต่เราทำตามบางอย่างเท่าที่สามารถจะเรียนแบบได้เพียงเท่านี้ก็ได้รับประโยชน์มากมายและวิธีที่จะศึกษาชีวิตของท่านให้เข้าใจก็คือ ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่ามักแปดมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือจำเรื่องมักแปดไม่ได้ข้าพเจ้าจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยย่อเสียก่อนมักแดก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมนตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบคือเห็นว่าความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่และความตายเป็นทุกข์โสกาปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาตเป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์โดยย่อเป็นชขันหรือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุ ป, ปาทานเป็นทุกข์พระอริยเจ้าทุกองค์เข้าใจความหมายของทุกขเหล่านี้แจ้งแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมองเห็นชัดว่าความนึกคิดที่เกิดซึ่งไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือชั่วถ้าเอาชนะไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้ปัดให้ออกไปทันทีไม่ได้ทําใจให้ว่างจากความนึกคิดไม่ได้ก็แปลว่าจะต้องมีทุกข์อยู่เสมอ ถึงแม้จะมีเงินมีชื่อเสียงมีความเป็นอยู่สะดวกสบายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ตามตราบใดที่ยังเอาชนะความคิดไม่ได้กล่าวคือความคิดชั่วยังกำจัดออกไปให้หมดไม่ได้และแม้ความคิดที่ดีก็ยังควบคุมไม่ได้ปัดให้ออกไปทันทีไม่ได้ในเมื่อต้องการจะปัดหรือต้องการจะทาใจให้ว่างก็ทาไม่ได้อันนี้แหละ คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดจากจุดนี้ทั้งสิน้นและคำว่าความเกิดเป็นทุกข์ในความหมายที่ลึกซึง้งก็คือความเกิดของความนึกคิดที่เป็นทุกข์อันหนึ่งการที่ท่านรู้สึกว่าความทุกข์ต่างๆดังที่กล่าวมานั้นเป็นความทุกข์ก็เพราะตราบใดที่ความทุกข์ยังเกิดได้ หรือเหตุการณ์ต่างๆยังทำให้เกิดความทุกข์ได้ก็หมายความว่ายังไม่พ้นทุกข์ยังจะต้องมีทุกข์อย่างเดียวกันนั้นสืบต่อไปอีกไม่สิ้นสุดความตายช่วยให้หนีจากความทุกข์ไม่ได้และทุกข์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาจึงได้ชื่อว่าเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์ และการที่จะดับตัญหาให้หมดสิ้นก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องปฏิบัติตามมารคมีองค์8ดนอกจากจะมีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจดังที่กล่าวนี้แล้วพระอริยเจ้าทุกองค์ย่อมมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการตายการเกิดกฎของกรรมและเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างความคิดเห็นของพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นเช่นนี้เสมอ เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าพระอาริยเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีหมายความอย่างไรก่อนอื่นเราจึงจำเป็นจะต้องรู้จากทัศนะของท่านว่าเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงจะรู้ซึ้งว่าเพราะเหตุไรท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีอยู่เสมอสัมมาสังกัปปะความยำาริชอบ มีความมาอยู่สามอย่างคือคิดออกจากกามไม่คิดพยาบาทคือคิดที่จะกำจัดความโกรธและความเกลียดให้หมดไปจากสันดานและประการที่สามคือคิดที่จะไม่เบียดเบียนใครพระอริยเจ้าทุกองค์ย่อมมีความคิดแบบนี้อยู่เสมอสัมมาวาจาผู้ชอบ มีความหมายอยู่สี่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีในความหมายอันหนึ่งก็คือการพูดจาของท่านย่อมเป็นสัมมาวาจาอยู่เสมอมาเหตุผู้อ่านเรื่องคำพูดนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่นะครับ การพูดคำหยาบนั้นต้องเป็นการพูดด้วยจิตที่หยาบด้วยตัวอย่างในพระไตรปิฎกเช่นพระอาหารหันทรูปหนึ่งท่านพูดคำหยาบติดปากเป็นประจำภิกษุอื่นเมื่อได้ยินก็พากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าทรงตัดสินว่าเพราะพระอรหันทรทำอะไรสักเป็นแต่กิริยาไม่เป็นกรรมและสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นวาสนาเป็นความเคยชินที่ติดฝังแน่นมานานตั้งแต่ชาติก่อนจึงละได้ยาก เป็นการพูดที่ขาดเจตนาจึงไม่ถือว่าผิดศีลผิดธรรมแต่อย่างใดสัมมากัมมันตะกระทำชอบมีความหมายอยู่สามอย่างคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมการกระทำของพระอริยบุคคลทุกองค์ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้อยู่เสมอ และโดยเฉพาะข้อที่สามถ้าหากเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงคือเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันต์ก็จะเว้นขาดจากการเสพเมทุนธรรมท่านไม่มีการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีในความหมายอันหนึ่งก็คือการกระทาของท่านย่อมเป็นไปตามหลักดังที่กล่าวมานี้ สัมมาอาชีวะอาชีพชอบหรือเลี้ยงชีพชอบหมายถึงการประกอบอาชีพแต่ในทางสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและจะประกอบแต่อาชีพเฉพาะที่เหมาะแก่ภาวะหรือฐานะของตนเช่นสมมุติว่าพระอริยบุคคลเป็นข้าราชการก็จะไม่ทําอะไรให้ผิดไปจากหน้าที่ของตนและไม่ทําอะไรชนิดที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่คนส่วนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นและถ้าหากเป็นพระก็จะไม่ประกอบอาชีพที่ผิดจากวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ซึ่งอาชีพของพระก็มีอยู่อย่างเดียวคือการบินทบาทหรือการเป็นอยู่โดยอาศัยศรัทธาของผู้อื่นเท่านั้นจะไม่ประกอบอาชีพอย่างเดียวกับครวะอย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะพยายามชอบมีความหมายอยู่สี่อย่างคือความชั่วอันใดหรืออกุศลธรรมอันใดที่ยังไม่ได้ละก็พยายามละอันไหนที่ละได้แล้วก็พยายามทําไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนกุศลธรรมอันใดที่ไม่ได้ทําให้มีให้เป็นขึ้นก็พยายามทําให้มีให้เป็นขึ้นอันไหนที่มีอยู่แล้วก็ทําให้เจริญยิ่งขึ้น ความพยายามหรือความขยันของพระอริยบุคคลทั้งหลายย่อมเป็นไปในแนวทางนี้ซึ่งผิดกับคนทั่วไปถ้าหากจะมีความขยันภาคเพียรอย่างแรงกล้าก็เป็นความขยันที่เป็นไปเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆสัมมาสติระลึกชอบข้อนี้มีความหมายกว้างมาก แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือพยายามให้มีสติอยู่กับตัวเสมอพยายามที่จะนึกแต่ในแง่ที่จะทำให้กิเลสน้อยหรือเบาบางลงไปโดยลำดับผู้ที่มีสมาสติก็คือผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในสติปฐาน 4. สี่สัมมาสมาธิสมาธิชอบข้อนี้หมายถึงการเข้าสมาธิที่เป็นไปเพื่อการละนิวรณโดยตรง หรือพูดอีกในย่าหนึ่งสัมมาส ม, มาธิก็คือฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปพระอริยะเจ้าทุกองค์ยอมเข้าฌานได้เสมอถ้าหากเราได้ศึกษาเรื่องมรรคแปดให้เข้าใจโดยละเอียดและจำได้ดีเราก็จะรู้ว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีก็หมายถึงความนึกคิด การพูดและการกระทำของท่านทุกอย่างอยู่ในมรรคมีองแปดตลอดเวลาขอให้สังเกตคำอธิบายที่กล่าวว่าที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีหมายถึงปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติหรืออีกในยะหนึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคและในผลคำว่าตั้งอยู่ในมรรคก็คือมรรคแดอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ตั้งอยู่ในผล ก็คือลากิเลตได้โดยเด็ดขาดเป็นขั้นๆไปสุดแล้วตาจะเป็นพระอาริยบุคคลขั้นไหนหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีซึ่งคำว่าสาวกในที่นี้ย่อมหมายถึงคารว์ ด, ด้วยแต่ต้องเป็นคารวาดที่เป็นอาริยบุคคลจึงจะนับว่าเป็นสาวกในที่นี้เพราะฉะนั้น การที่จะพิจารณาถึงสังฆคุณในบทนี้เราจะต้องนึกถึงภูมิธรรมของคารวะที่เป็นอริยบุคคลกล่าวคือคารวาดที่เป็นอริยบุคคลนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ย่อมประพฤติอยู่ในธรรมที่สมควรแก่ความเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าอยู่ในฐานะเป็นลูกหรืออยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นสิทธิ์อยู่ในฐานะเป็นนายหรือเป็นบ่าวหรืออยู่ในฐานะใดๆก็ตาม ย่อมดำรงตนอยู่ในคุณธรรมที่เหมาะสมแก่ฐานะนั้นๆกล่าวคือย่อมอยู่ในฐา น, นะที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นนายที่ดีเป็นบ่าวหรือเป็นลูกน้องที่ดีซึ่งคุณธรรมต่างๆที่บุคคลเหล่านี้ควรจะปฏิบัติมีอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้ว ขอให้ศึกษาจากเรื่องทิศหกในความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีขอให้สังเกตคำอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ว่าปฏิบัติดีนั้นหมายถึงปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้หมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องทิศหก แนะนำให้ฟังจากเสียงอ่านหนังสือที่ทำไว้แล้วนะครับคือเรื่องขี้หิวินยัยหรือวินัยชาวพุทธโดยสมเด็จพระพุทธโคษ า, าจารย์ปออประยุตโตข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ได้ชื่อว่าหมู่แห่งสาวกในที่นี้ซึ่งมีทั้งพระและคารวาดมีทั้งหญิงและชายมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในความดี คือเคยประพฤติดีมาอย่างไรก็ดีอย่างนั้นตลอดไปไม่มีการกลับไปกลับมาเป็นผู้ที่มีความแน่นอนไว้ใจได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในบทสังฆคุณข้อต่อไปนั้นเป็นการขยายความบางแง่ให้ชัดออกไปซึ่งท่านได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้